บุกท <Book> <65. S 3> ูหกสิบห้ากาการปฏิเสธสองเหลบบนีแหวเนแบติฟดว่าแหวนวงนี้แพงไหมคะ apa อวาจิ c ป็น y a บนี้ดาหา ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียง100ย ห, น, หง น, 100 น, นึ่งร้อยยูโร tidak h a ห g a n y นี้ n y a าเพี u งนึ่้อรม่ะแนีคเ่อโร่หนี้าคาเหน่้่นั้คน่ค่ะแ a p i saya h a า y a p u n ย a หงนงคุณนี้เพนร็จยมแล้ร่มควใชเ่รไแหวหม k ค m u sudah siap า ไม่ยังไม่เสร็จค่ะตม่ยังไม่เ่ม่เดี๋ยวกเสร็จเสร็จค่ะวสค่ะไม่ยาง ส, สาร็จค่ะไ่ัสคุณอยักได้ซุรเพิค่มยไหมเคะ่ะไ ม, มไม่ไม่ยัไม่ค่ะันไม่อม่ยากได้เพิ่ไม่ล้วค่ะไม่ัไม่คยไเ่มค่ะั saya tidak mau apa-apa l a แ i แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะแต่ i ั a s i h อ d a ีมอยูคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังค่คะคุ่งคะ่ืองะ่นืองีนือยีนวยีวยวะ baru เดืแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว tapi saya sudah banyak m e n g ่ n a l orang ่าาุณจะขับร่กต่บต่แต่ต่งนี้ใช่ไตมคะ Apakah kamu แต่แต่แต่แต่แต่่แ่แ่แตตต่แต่าต่ตต t i d a ด di akhir pe สัปดาหแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะแต่ i saya k ม m b a l i h a า i ิ i n g g u งุลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Apakah a n a ค perempuan k a m ่ sudah dewasa ะอปไมะอน่ใช่คกเม่มะค่มูสุหวไม่ใช่ค่ะ ลูกกิชันเพิ่องอายุ17ปี tidak dia baru 17ิดีดแต่เธอาบมีแฟนแล้วนะ tapi dia า u ุ a h punya p a c ต r กรุณจเาไสปทแต่เธอีแ่ w w w b o o k สิบแต่ดีย่าสุดปาปุาปจจา